วันข้าพรนศาข้าพันศาเริ่มแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่พระเนรแล้วก็รวมทั้งนายชีไปได้อธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาคือตั้งใจมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะจําพรรษา คืออยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งครบท้วนสามเดือนถ้าจะมีกิจธุระไปไหนก็ก็ไปไม่เกินเจ็ดวันอันนี้ก็มีพุทธานุญาตไว้แต่ว่าก็ต้องทำด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะอยู่ จำให้ได้ครบถ้วนทั้งพรรษานัปฏิบัติ ร, รมที่ตั้งใจจะจิตพรรษาที่วัดก็อธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันอธิษฐานนี่ในความหมายนี้มันเป็นความหมายที่แท้ที่เราเข้าใจกันอธิษฐานอธิษฐานนี่มันมันยังบอกค่อยถูกต้องเท่าไหร่เช่นตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ ล่ำรวยนะขอให้มีแฟนรอๆขอให้บ้านหลังใหญ่ขอให้ถูกขวยอันนี้มันอธิษฐานแบบไทยอธิษฐานแบบไทยๆผมไม่อธิษฐานแบบพุทธอธิษฐานแบบพุทธก็คือตั้งใจมั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแน่วแน่ที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ เดี๋ยวนี้คนไทยเราไปเข้าใจผิดเพี้ยนไปหมดความตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของดีของงามก็กลายเป็นว่าไปขออธิษฐานขอนั่นขอนอ น, ขอน้นความหมายมันผิดไปตรงกันข้ามกันเลยอธิษฐานแบบพูดนี่คือตั้งใจจะทำ ซึ่งก็ต้องยอมเหนื่อยนะหรือบางทีก็ยอมลำบากแต่ทิษฐานแบบไทยๆนี่ไม่ต้องทำอะไรนะอธิษฐานขอให้เทวดาฟ้าดินขอให้ปู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยดลบรันรดาลให้ได้รับสิ่งที่ปรารถนาคนอย่างนี้เราไม่เหนื่อย คนอื่นเหนื่อย <c oughs> แทนเช่นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนื่อยต้องมาทําให้เราอันนี้มันบ่แม่งอธิษฐานแบบพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งการกระทําอยากได้อะไรต้องทําเอาอยากได้อะไรต้องลงมือทําอยากรวยก็ต้องขยันอยากเรียนเก่งก็ต้อง ตั้งใจเรียนเดี๋ยวนี้แม้แต่เรียนปริญญาโ ท, <c oughs> โทปริญญาเอกก็ต้องไปอธิษฐานอธิษฐานเจ้าพรอเอราวัณอธิษฐานที่นนทินมีขอให้เรียนจบนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมาอธิษฐานทจริงอธิษฐานแบบพุทธนี่มันมันดีกว่าเยอะก็คือตั้งใจ เช่นอยากจะเรียนหนังสือให้ได้สอบเข้าให้ได้ก็อธิษฐานว่าจะวันหนึ่งจะเรียนหนังสือ8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะอธิษฐานตั้งใจว่าจะไม่ไปดูหนังฟังเพลงจนกว่าจะสอบจบนะอันนี้เรียก ว, ว่าอธิษฐานแบบพุทธ หรือว่ า, อ, าอยากร่ำรวยก็อธิษฐานว่าจะทำงานจะทำงานอยา่างขยันขันแข็งแต่แค่นี้มันไม่ไมไมพอนะต้องชัดเจนลงไปเลยว่ า, าจะทำงานวันละอาทิตย์ละ6วันนะ หรือว่าจะเก็บพร้อมรอมลิฟ์เอาไว้ไม่ไปเที่ยวห้างไม่ไปเที่ยวกลางคืนนี่เรียกว่าทิฐฐานคือตั้งใจมั่นนะเดี๋ยวนี้บางทีเราเวลาบอกว่าให้ทำอะไรเราเราจะทำอย่างดีที่สุดทำอย่างดีที่สุดนี่มันมันไม่ไม่มีความหมายอะไรเลย เราจะทำดีอย่างจะทำจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดอันนี้มันใครๆก็พูดได้ไคำว่าดีที่สุดเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าโอ้จะจะปฏิบัติจะเรียนหนังสือวันละให้ได้อย่างน้อย12ชั่วโมงอ่าอย่างนี้ค่อยค่อยชัดเจนหมาหรือมาปฏิบัติทำก็บอกว่าเราจะปฏิบัติทำให้ดีที่สุด อันนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่บอกว่าเออทิฐฐานว่ามาปฏิบัติธรรมนี่จะไม่นอนกลางวันยังไงยังไงก็จะไม่ยอมนอนกลางวันหรือว่าจะมาทำวัดไม่ให้ขาดหรือว่าจะทุกเช้าทุกวันจะตื่นตีสามให้ได้ทุกวัน แล้วจะไม่นอนเกิน3ามทุ่มสี่ทุ่มอันนี้ก็ว่าไปอันนี้เรียกวา่าทิฐิฐานเหมือนอย่างที่พระเจ้านะตอนที่จะบรรลุธรรมนะก็บำเพ็ญทุกกรกรยามา6ปีไม่ได้อะไรเสร็จแล้วก็เมื่อถึงวันที่พรงได้รู้ว่าการทรมานตนไม่ใช่ทาง การบำเรอตนด้วยกามก็ไม่ใช่ทางพระองค์ลัว่าทางสายการคือแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรว่าจะนั่ ง, ยงอยู่ตรงนี้แหละถึงแม้ว่าเลือดจะเหือดแห้งถึงแม้ว่าจะผอมภายพ้อมจนเหลือแต่เส้นเอ็นและกระดูก ก็จะไม่ยอมลุกจากที่นะอันนี้เรียกว่าอธิษฐานนะคือพูดชัดไม่ใช่บอกว่าเราจะเราจะปฏิบัติทำให้ดีที่สุดพูดแค่นี้ไม่มีความหมายเลยแต่เดี๋ยวนี้พูดกันเยอะเราจะทำให้ดีที่สุดแต่ดีที่สุดคืออะไรไม่ไมรูนะ้อธิษฐานนี่อย่างอธิษฐานภาษาพูดชัดเลย มัสนิงอาวสาัยมังเตมัสังวสังอุเพมิเราตั้งใจมั่ น, นยอยู่ในอาวานัตนี้ครบสามเดือนไม่ใช่บอกว่าเราจะอยู่เราจะจำํำภาษาให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าดีที่สุดเป็นยังไงต้องพูดชัดสามเตือนจะอยู่ในอาวัตนี้ อธิษฐานแบบนี้คนไทยชาวพุทธเราลืมไปแล้วลืมไปเยอะแล้วเราไปอธิษฐานว่าจะขอโน่นขอนี่กันนะพุทธศาสนาคนก็เลยมองพุทธศาสนาเป็นาศาสนาแห่งการร้องขอวิงวอนจะทำอะไรก็อธิษฐานขอโน่นขอนี่นะนะอันนี้มันไม่ใช่ แบบพุทธศาสนาพุทธเราศาสน า, าการกระทำเมืองไทยเมืองพุทธนี่เราไปเราไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหรือไม่ก็ไปพึ่งพาโชคเวลาจะล่ำลากันก็บอกขอโชคดีนะ คนญี่ปุ่นนี่เวลาจะล่ำลากันเช่นลูกจะลาพ่อลาแม่ลูกศิษย์จะลาครูก็จะบอกว่ากัมบัตเต้ขอให้สู้ขอให้ขยันขอให้เพียรกัมบัตเต้นี่คนญี่ปุ่นเขาพูดติดปากขยันนะสู้เต็มที่จะยอมแพ้นะ กันตมาเคยไปเดินทุดงที่ประเทศญี่ปุ่นเดินเจวันกับอา จ, จารย์ยุคติจากเมืองนี้ไปเมืองนากา โ, โน่จากเมืองโคโมโรไปเมืองนากาโน่นากาโน่นี่เป็นเป็นเมืองที่ลอฮ่าเคยเสด็จไปวัดหนึ่งเป็นวัดที่มีชื่อมากลอฮ่าและการที่ฮเคยเสด็จไปก็เลยเอานั่นเป็นจุดหมายระหว่างทางก็ และเย่ยมเย็นญาติโยมคนไทยที่ไปธรรมหากินที่โนนเดินเจดวัน8 0ด0กิโลอากาศก็หนาววันที่เดินก็มีคนญี่ปุ่นเดินมาด้วยก็มีคนญี่ปุ่นมาทำข่าวออกโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพอถึงเมืองนากาโน่วันที่วันที่หหรือวันที่วันที่เจมาสุดท้าย เข้าเมืองนากาโน่ก็มีรถเ่งล่นผ่านมาพอใกล้จะถึงพวกเราก็มีเด็กน้อยเพื่อนยืนหัวมาตะโกนว่ากัมบะเตให้กำลังใจสู้ต่อไปถ้าเป็นคนไทยบอกขอโชคดีนะ มันต่างกันด้วยโชคดีกับสู้ต่อไปชาวพุทธไทยเราเป็นชาวพุทธที่ชอบอธิษฐานแล้วก็พึ่งพาโชคเพราะเราบอกได้เข้าใจคำว่าอธิษฐานอย่างถูกต้องก็มเมนคาว่าทานอ่ะอย่างนี้ทานแปลว่ากิ น, นทานอานี้แปลว่าให้น่นทานคือให้อย่างนี้เราอเอาทานข้าวเลทานข้าว จากให้กับเป็นกินไม่ใช่ละตรงข้ามกันเลยให้นี่คือให้นอกตัวแต่ ก, กินนี่มันเอาเข้าตัวเอาใส่ตัวนะความหมายมันผิดเพี้ยนไปอาธิษฐานนี่ต้องบำเพ็ญต้องบำเพ็ญกันให้มากนะจะทำอะไรก็ตามถ้ามันเป็นงานยากนี้ชาวพุทธเราก็จะไม่กลัวเนะี่ยบอยันมันยากเลยอ้อาวก็อธิษฐานเลย ตั้งใจมั่นว่าจะทําให้ได้สําเร็จไม่สําเร็จไม่เป็นไรแต่จะทําให้ไดนะ้อย่างเช่นแม่อ่อนี่ก็อธิษฐานได้ว่าจะมาจําศีลทุกศีลไม่ให้ขาดถ้าไม่ป่วยไม่ล้มป่วยจนเดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็จะมา ถือศีลให้ได้ทุกพันทุกศีลอันนี้เรียกว่าอธิษฐานเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าบา ร, รมีสิบประการก็มีอธิษฐานบา ร, รมีเป็นหนึ่งในสิบนะอย่างพระไปสันดอนที่จริงก็ไม่ได้บําเพ็ญแค่ทานบา ร, รมีแต่ว่าบําเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีด้วยว่าใครถ้าใครมาขอก็จะให้อันนี้เป็นความตั้งใจมั่น นัต้องอธิษฐานตั้งแต่เล็กเลยว่าใครมาขอก็จะให้แม้มาขอชีวิตมาขอดวงตาก็จะให้ขอลูกก็จะให้ไม่ใช่ว่าไม่รักลูกไม่ใช่ว่าไม่รักเมียก็เพราะรักเลยนะถึงถึงต้องอธิษฐานแบบนี้เพราะว่าการจะให้สิ่งที่ที่รักนี่เป็นของยากให้ให้สิ่งที่ไม่รักนี่มันง่าย หรือให้สิ่งที่รักน้อยนี่ง่ายแต่ให้สิ่งที่รักมากที่สุดนี่ยากเพราะพรสนดรนี่รักรักลูกรักกัญหาชายรีรักมัตสียิ่งกว่ารักพระองค์เองซะอีกให้ชีวิตของพระองค์ยังง่ายกว่าให้กัญหาชายีแล้วก็ให้นางมัตสีใชก่ก่อนก่อนก็บริเพณบารมีมาแล้วเรื่องการสละชีวิตให้เป็นทาน แต่ว่ายังไม่เคยสละลูกสละเมียเลยชาสุดท้ายนี่แหละที่ได้บาเพ็ญบา ร, รมีขั้นอุกฤษคือให้ลูกให้เมียให้ชีวิตตัวเองยังง่ายกว่าแต่ว่าเคยให้มาแล้วในชาติก่อนๆชาตินี้ก็เลยต้องทำสิ่งที่ยากกว่านั้นคือให้ลูกให้เมียก็ทำได้เพราะว่าทรงบาเพ็ญอธิษฐานบา ร, รมีด้วยไม่ใช่แค่ทา น, นบา ร, รมี อธิษฐานนี่ยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าคือคือที่ฐานที่มันคงของชีวิตนะอธิษฐานไม่ได้แปลว่าความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่มันคงแต่ยังหมายถึงฐานที่มันคงของชีวิตนะชีวิตจะมั่นคงได้ต้องบำเพ็ญอธิษฐานทำรรนะเรียกว่าอธิษฐานท ร, รมีสีอย่าง อันที่หคือปัญญาก็คือเป็นอยู่ด้วยปัญญาปัญญานี่หมายถึงความเข้าใจรู้รู้ประโยชน์รู้รู้คุณรู้โทษของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นรู้ว่าความโกรธมันไม่ดีความเกลีมันไม่ดีความรู้มันไม่ดีนี่เราต้องนี่เรามีปัญญาไม่ใช่รู้แบบจาํามาแต่รู้แบบ เอามาใช้กับชีวิตได้มันมีเด็กมีเด็กอยู่คนนึงเนี่น้าหน่าทึา่งมากเด็กเป็นผู้หญิงอายุสิบสอง 22. เขาก็ชวนมาออกโทรทัศน์ก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดานี่แหละมันมีรายการเรียกว่ารายการพลเมืองเด็กของไทยทีวีไอทีวีไทยชอบเอาเด็กมาออกรายการเอาเด็กมาทำาแลรเอาเด็กมาทำงาน แล้วก็ถ่ายดูว่าดูว่าเด็กเขาทํางานยังไงเด็กสมคนทํางานยังไงเด็กตัวเล็กๆแต่ครัก็มีเก้าคู่ก็มีสิบสบคูัก็มีแล้วอ็คราวหนึ่งก็เด็กมาสามคนก็ให้ทำหลายอย่างงานก็นคือขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันก็มีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรีดขนแต่บังเอิญวันนั้นมันมีการถ่ายทอดโทรทัศน์สมจิตรงจอหอจ์อนผู้จักบอกสมจิตน่ย นักชกโอลิมปิกสองคนเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายพเพื่อนก็ทิ้งงานไปเบืง้งเบื้งมวยนะมวยตู้ก็ไปให้เพื่อนผู้หญิงนั่นแหละขนคนเดียวพิธีกรก็เลยไปถามว่าคิดยังไงกับเพื่อนสองคนที่ก็ทิ้งงานเพื่อนก็บอกอก็น่าเห็นใจเขาเนอเพราะว่าเพื่อนอยากดูมวยนานๆจะมีถ่ายทอดสดนะ สมจิตก็เป็นคนดังซะด้วยเป็นคนเก่งซะด้วยนะเพื่อนจะไปดูก็ไปดูลัพิธีกก็ได้ถามต่อไป ว, ว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่ด่าไม่ไม่ไม่ไม่โกรธไม่หรือไม่คิดจะไปดา่าไปว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งงานเพื่อนพูดอย่างนี้น่าสนใจเพื่อนบอกหนูขนขึ้นหนูคนของขึ้นรถัฟห น, นูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปดา่าไปว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่าง ฉลาดป้องไงอันนี้เรามีปัญญาดิคนเราถ้าไปทำงานไปด้วยโกรธไปด้วยนี่เหนื่อยสองอย่างเหนื่อยกายเหนือยใจถ้าคนที่มีปัญญา ก, ก็รู้ว่าระหว่างเหนื่อยอย่างเดียวกับเหนื่อยสองอย่างจะจะเลือกแบบไหนเด็กคนที่ฉลาดเด็กคนนี้ก็เลยเลือกเหนื่อย อ, อย่างเดียว แ, แต่ส่วนใหญ่นี่เลือกเหนื่อยสองอย่าง ทำไปด้วยก็ดา่าไปด้วยทำไปด้วยก็โกรธไปด้วยนะอันนี้นี่เลยว่าไม่ฉลาดแค่บ อ, บอกมีปัญญาบางคนไม่มีปัญญาขนาดนั้นคือไม่รู้เลยว่าเวลาโกรธเวลาดา่าเวลาว่าครนี้มันมันเหนื่อยใจบางคนมองไม่เห็นแม้กระทั่งแค่นี้นะแต่ถ้ามองเห็นแล้วก็ทํา เอามาใชใ้กับชีวิตได้เด็กคนนี้เห็นเลยว่าโอ้ไปด่าไปว่าเขานี่เหนื่อยสองอย่างงันเขาเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าอันนี้เรียกมีปัญญาคือเห็นความจริงรู้คุณรู้โทษของสิ่งต่างๆแล้วก็เลือกทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นอธิษฐานทำข้อหนึ่งข้อที่สองคือมีสัจจะสัจจะคือตั้งมั่นอยู่ในสัจจะ ความจริงวความตั้งมาในสัจจะนีมีความหมายหลายอย่างด้วยหมายความว่าไม่พูดปดไม่โกหกแล้วก็ยังแปลว่ามีคนรักสัจจะรักความจริงรักความจริงยังไงนะอย่างเช่นมีคนไปด่าไปใส่ร้ายคนที่เราไม่ชอบในกอนี่เราไม่ชอบในขอไปใส่ร้ายในกอน โกหกใส่ร้ายถ้าเราเป็นคนถ้าเาเป็นคนรักสัจจะเราก็ต้องแก้ก็ต้องแก้ให้ให้ถูกว่าที่พูดนั้นมันผิดที่ในขอใส่ร้ายในกนั้นมันผิดที่ถูกเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราว่าเป็นคนรักสัจจะนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มันตรงกันข้ามถ้าในขอไปใส่ไล่ในกอให้เราฟังเราไม่ชอบในกอเราก็รั่วมันไม่ถูกมันไม่จริงแต่เราก็ใส่ไข่เข้าไปด้วย น, นี่เรียกว่าไม่รักสัตยจัจากการรักสัต จ, จักเป็นเรื่องยากนะเดยเพราะเวลามันเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบต้องรักสัต จ, จักรักสัต จ, จักรยังหมายความว่า เปิดใจกว้างรับฟังคนที่คิดไม่เหมือนเราคิดแบบคือเราก็ต้องฟังนะพุทธศาสนาเราเรียกว่าอนุรักษ์สัจจานุรักษ์แปลว่าคนที่คิดไม่เหมือนเราเขาก็อาจจะพูดจริงได้เหมือนกันหมายความว่าความจริงนี้นะ มันไม่ใช่มี แ, แต่เราคนเดียวที่ที่รู้ความจริงคนหนึ่งก็อาจจะรู้ความจริงได้ก็ต้องเปิดใจฟังเขามีสัจจะก็ต้องมีจาระความเสียสละเพื่อเพื่อเผื่อแผที่เราบริจาคบริจาคนี่แหละคือจาระนั่นแหละทานก็ได้เรียกว่าทานก็ได้แล้วก็ความสงบอุปสมะถ้ามีสอย่างนีนชีวิตก็มั่นคงได้เลย ตั้งมั่นอยู่ในปัญตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาตั้งมั่นอยู่ในสัจจะมีนั่นใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่แล้วก็รู้จักทำความสงบรู้จักสงบจิตสงบใจถ้าช่วยมีสี่อยาณนี้ชีวิตก็มั่นคงนะมั่นคงไม่หวั่นไหวน ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ถูกต้องนะนี่เลยว่าทิฏฐานธรรมคือธรรมที่ทำให้ชีวิตมั่นคง ถ้าจะมั่นคงได้ทั้งสอย่างนี้ก็ต้องมีสตินะเพราะว่าถ้ามันลืมตัวเมื่อไหร่สติคือว่าไม่ลืมตัวสติคือรู้ตัวสัมมาสติถ้ามันลืมตัวเมื่อไหร่มันก็ตั้งมั่นอยู่ในสัจจะมาได้ถ้าโกรธเกลยเียดมากเราก็ใส่ร้ายคนโกหกคนได้หรือว่าถ้ามันมีความโลภมากมันก็ไม่ยอมเอาไม่ยอมทํา ไม่ยอมใช้ปัญญาทำตามอารมณ์ถ้าลืมสติมันก็ทำตามอารมณ์ทำตามอารมณ์แล้วก็เลยลืมปัญญานะอย่างรู้ว่ากินลาไม่ ด, ดีเงินก็หมดเงินก็ไม่มีแล้วนะคนที่มีปัญญาก็จะต้องฝึกเจ็บ้อมรอมริบเดินผ่านราดเราก็ต้อง เป็นรานเราก็ต้องเดินผ่านเลยไม่เข้าไปอันนี้เรามีปัญญาแต่ถ้าทําตามอารมณ์พราะลืมสติขาดสติลืมตัวมันก็เดินเข้าร้านเล่าไม่มีเงินเราก็ยังไปซื้อบุหรี่ไม่มีเงินเราก็ยังไปเล่นไพ่เล่นการพนันนี่เราไม่มีปัญญาเพราะอะไรเพราะลืมตัวเพราะไม่มีสติทําตามอารมณ์นี่จะทําอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติเป็นพื้นเดินจะมั่นคงในความดีได้ แลวก็วันนี้เราก็จะทำพิธีนะอธิษฐานพรรษานะ <S <S <at> พระเนแล้วก็แม่ชีก็จะอธิษฐานพรรษานะพวกเราก็แม่พ่อแม่ออกพแม อ, อ, แมอก็อนุโมทนาด้วยแล้วก็จะอธิษฐานอธิษฐานด้วยก็ได้อธิษฐานในใจ อธิษฐานไม่ใช่ขอนะอะอธิษฐานคือตั้งใจว่า อ, อ, อย่างเช่นจะมาจำศีลให้ได้ทุกศีล น, นะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่รบมหมอนนอนเสือก็จะมาให้ได้นะฝนตกฟ้าร้องยังไงก็จะมานะทางขาดยังไงก็จะมาให้ได้ถ้ามาถ้าน้ำท่วมแล้วมาไม่ได้ก็ว่าไปอย่างนึนะเอาล ะ, ะเดี๋ยวพวกเราพราเราก็มาน้าดปทางพุทธรู